หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาค3อารยธรรมวิถีตอนที่6ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่19บทความประกอบที่สองศีลกับเจตนารมทางสังคม คำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มากที่สุดก็คือคำสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีลเพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวด้วยการแสดงออกทางกายวาจาเป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการดำเนินกิจการต่างๆของหมู่ชนการจัดสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การดำรงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้นและแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกท้องปวงของหมู่ชนอันจะเอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถบำเพ็ญกิจกรณีที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไปเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุดตามอุดมการณ์ของหมู่ชนนั้นตลอดจนเกื้อกูลแก่การที่หมู่ชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการณ์กิจการและประโยชน์สุขความดีงามของตนให้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปหนังสือและผลงานทางวิชาการของปราชสมัยปัจจุบันซึ่งส่วนมากเป็นชาวตะวันตกที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับสังคม มักมองข้ามคำสอนขั้นศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นวิเนัยของภิกษุสงฆ์จึงมักพลาดหรืออย่างน้อยก็ขาดความสมบูรณ์ไปมากศีลพื้นฐานหรือขั้นต้นที่สุดก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าด้วยกายหรือวาจาและการไม่ทําลายสติสัมปัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตนศีลขั้นต้นสุดนี้ นิยมเรียกว่าศีลหเรื่องศีลกับสังคมหรือคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมนั้นเป็นเรื่องใหญ่มีขอบเขตกว้างควรยกขึ้นพูดต่างหากอีกเรื่องหนึ่งแต่เพราะในตอนที่เพิ่งผ่านมามีความพลาดพิงถึงจึงนําบางส่วนที่เกี่ยวข้องและควรทราบมาชี้แจงแทรกไว้คราวหนึ่งก่อน